อัตกรรมะปาริจริยสิกขาบทว่าด้วยการให้บำเรอความใคร่ของตนเรื่องพระอุทายี290 ส, ส, สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นท่านพระอุทายีเป็นพระที่ใกล้ชิดตระกูลในกรุงสาวัตถีไปมาหาสู่ตระกูลเป็นอันมากสมัยนั้นมีหญิงไม้ผัวตายคนหนึ่งรูปงามน่าดูน่าชมครั้นเวลาเช้าท่านพระอุทายีครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเดินไปถึงเรือนหญิงไม้นั้นครั้นถึงแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว ครั้นแล้วหญิงไม้จึงเข้าไปหาถึงที่ท่านพระอุทายีนั่งกราบแล้วนั่งหน้าที่สมควรครั้นแล้วท่านพระอุทายีชี้แจงให้หญิงไม่เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเล้าใจให้อาหารแก้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาครั้งนั้นหญิงไม้ได้กล่าวปรวารณาท่านพระอุทายีว่า พระคุณเจ้าโปรดบอกเถิดท่านต้องการสิ่งใดที่ดิฉันสามารถจัดถวายได้คือจีวรบินทบาทเศนาสนะและคิลานปัจัยเพสัตบริขารปจจัยเหล่านั้นหาได้ไม่ยากเธอจงถวายสิ่งที่หาได้ยากแก่อัตมาเถิดอะไรหรือเจ้าคะเมทุนธรรมท่านต้องการหรือเจ้าคะอัตมาต้องการ หญิงไม้จึงกล่าวว่านี่บนท่านมาเถิดเจ้าคะ่ะแล้วเดินเข้าห้องเปลืองผ้านุ่งแล้วนอนหงายบนเตียงขณะนั้นท่านพระอุทายีเดินตามนางเข้าไปถึงเตียงกล่าวว่าใครจกรูปคล้ำหญิงถอยมีกลิ่นเหม็นคนนี้ได้ถมน้ำลายแล้วจากไปหญิงไม้ตำหนิประนามโพนทนาว่าพระสมณะเชื้อสายศักยบุตรเหล่านี้ไม่มียางอาย ทุศินชอบพูดเท็จแต่ก็ปฏิญญาว่าประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์พูดจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมพวกเธอไม่มีความเป็นสมณะไม่มีความเป็นพราหมณ์ความเป็นสมณะความเป็นพราหมณ์ของพวกเธอเสื่อมสิ้นไปแล้วพวกเธอจะเป็นสมณะเป็นพราหมณ์ได้อย่างไรพวกเธอปราศจากความเป็นสมณะปราศจากความเป็นพราหมณ์ ขณนพระสมณะอุทายีขอเมตุนธรรมกล่าวแล้วกลับทมน้ําลายกล่าวว่าใครจะลูกคําหญิงถ่อยมีกลิ่นเหม็นคนนี้ได้แล้วจากไปเล่าเรามีอะไรชั่วนักหรือมีอะไรที่มีกลิ่นเหม็นนักหรือเราเลวกว่าหญิงคนอื่นอย่างไรแม้หญิงพวกอื่นก็พากันตําหนิประนามโพนทนาว่าพระสมณะเชื้อสายสกยบุตรเหล่านี้ ไม่มีอย่างอายทุศีลชอบกล่าวเท็จหญิงไม้นี้มีอะไรชั่วนักหรือมีอะไรที่มีกลิ่นเหม็นนักหรือนางเลวกว่าหญิงอื่นอย่างไรภิกษุทั้งหลายได้ยินหญิงเหล่านั้นตนําหนิประนามโพลทนาบรรดาภิกษุผู้มีมักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังใฝ่การศึกษาจึงพากานันตําหนิประนามโพลทนาว่า ั้นท่านพระอุทายีจึงพูดสรรเสริญการเบรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตุคามเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิท่านพระอุทายีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ